อธิฐานัทธนิเทศแสดงสภาวะตั้งมั่นพึงเห็นอินทรีย์เพราะมีสภาวะตั้งมั่นเป็นอย่างไรคือเพราะเจริญสัตทินรีฉันทะจึงเกิดขึ้นด้วยอำนาจฉันทะด้วยอำนาจศรัทธ า, า, าสัตทินรียจึงตั้งมั่นด้วยอำนาจฉันทะปามุชชะจึงเกิดขึ้นด้วยอำนาจปามุชชะด้วยอำนาจศรัทธาสัตทินรียย่อมตั้งมั่น พึงเห็นอินทรีย์เพราะมีสภาวะตั้งมั่นอย่างนี้วงเล็บห้าปริยาทานัทธนิเทศแสดงสภาวะทำให้สิ้นไปพึงเห็นอินทรีย์เพราะมีสภาวะทำให้สิ้นไปเป็นอย่างไรคือเพราะมีสภาวะน้อมใจเชื่อสัทธินีจึงทำความไม่มีศรัทธาให้สิ้นไปทำความเร่าร้อนเพราะความไม่มีศรัทธาให้สิ้นไป เพราะมีสภาวะประคองไว้ huh? วิรินสีจึงทําความเกียคร้านให้สิ้นไปทําความเร่าร้อนเพราะความเกียคร้านให้สิ้นไปเพราะมีสภาวะตั้งมั่นสตินสีจึงทําความประมาทให้สิ้นไปทําความเร่าร้อนเพราะความประมาทให้สิ้นไปเพราะมีสภาวะไม่ฟุ้งซ่านสมาธินสีจึงทําอุทจฉาให้สิ้นไปทําความเร่าร้อนเพราะอุทจฉาให้สิ้นไป พราะมีสภาวะเห็นปัญญีสีจึงทำอวิชาให้สิ้นไปทำความเร่าร้อนเพราะอาวิชาให้สิ้นไปอินสีห้าในเนียขัมมะทำกามฉันทะให้สิ้นไปอินรีห้าในอภิยาบาททำภัยาบาทให้สิ้นไปอินสีห้าในอาโลกสัญญาทำถีนมิทะให้สิ้นไปอินสีห้าในอวิเคเผปะทำอุทจฉะให้สิ้นไป อินรี่ห้าในอรหัตมักทำกิเลสทั้งปวงให้สิ้นไปพึงเห็นอินรี่ห้าเพราะมีสภาวะทำให้สิ้นไปอย่างนี้ 6. ปฏิทถาปกัฏฐนิเทศสแสดงสภาวะให้ตั้งอยู่พึงเห็นอินรี่เพราะมีสภาวะให้ตั้งอยู่เป็นอย่างไรเพื่อผู้มีศรัทธาให้จัดทินรี์ตั้งอยู่ในความน้อมใจเชื่อ สตินสีของผู้มีศรัทธาให้ผู้มีศรัทธาตั้งอยู่ในความน้อมใจเชื่อผู้มีความเพียรให้วิริยินรีย์ตั้งอยู่ในการประครองไว้วิริยินรีของผู้มีความเพียรให้ผู้มีความเพียรตั้งอยู่ในการประครองไว้ผู้มีสติให้สตินรีย์ตั้งอยู่ในความตั้งมั่นสติินรียของผู้มีสติให้ผู้มีสติตั้งอยู่ในความตั้งมั่น ผู้มีจิตตั้งมั่นให้สมาธินีตั้งอยู่ในอวิเคปะสมาธินีของผู้มีจิตตั้งมั่นให้ผู้มีจิตตั้งมั่นตั้งอยู่ในอวิเคปะผู้มีปัญญาให้ปัญญินรี์ตั้งอยู่ในความเห็นปัญญินรียของผู้มีปัญญาให้ผู้มีปัญญาตั้งอยู่ในความเห็นพระโยคาวจรให้อินทรีห้าต <AO 1> ั้งอยู่ในเนคขมมะ อนินรี v h v h ่ห้าของพระโยคาวจรให้พระโยคาวจรตั้งอยู่ในเนกขัมมะพระโยคาวจรให้อินทรี่ห้าตั้งอยู่ในอภยาบาทอินรี่ห้าของพระโยคาวจรให้พระโยคาวจรตั้งอยู่ในอภยาบาทพระโยคาวจรให้อินทรียห้าตั้งอยู่ในอะโลกสัญญาอินรี่ห้าของพระโยคาวจรให้พระโยคาวจรตั้งอยู่ในอะโลกสัญญา พระโยคาวจรให้อินทรียห้าตั้งอยู่ในอวิคเขปะอินรี่ห้าของพระโยคาวจรให้พระโยคาวจรตั้งอยู่ในอวิคเขปะพระโยคาวจรให้อินทรียห้าตั้งอยู่ในอะรหัตมักอินรียห้าของพระโยคาวจรให้พระโยคาวจรตั้งอยู่ในอะรหัตมักเพึ่อเห็นอินรีย์เพราะมีสภาวะให้ตั้งอยู่อย่างนี้ สุตันตานิเทศที่สจบ 5. อินทริยะสมโมทานว่าด้วยการประชุมอินสีปุตชนเมื่อเจริญสมาธิเป็นผู้ฉลาดในความตั้งไว้ด้วยอาการเท่าไรพระราาเรระสขะเมื่อเจริญสมาธิเป็นผู้ฉลาดในความตั้งไว้ด้วยอาการเท่าไรท่านผู้ปราศจากราคะเมื่อเจริญสมาธิเป็นผู้ฉลาดในความตั้งไว้ด้วยอาการเท่าไร คือปุทุชนเมื่อเจริญสมาธิเป็นผู้ฉลาดในความตั้งไว้ด้วยอาการเจ็ดอย่างพระเสขะเมื่อเจริญสมาธิเป็นผู้ฉลาดในความตั้งไว้ด้วยอาการแดอย่างท่านผู้ปราศจากราคะเมื่อเจริญสมาธิเป็นผู้ฉลาดในความตั้งไว้ด้วยอาการสิอย่างปุทุชนเมื่อเจริญสมาธิเป็นผู้ฉลาดในความตั้งไว้ด้วยอาการเจ็ดอย่างอะไรบ้าง คือเพระาะ น, น้อมนึกถึงแล้วปุถุชนห น, นึ่งเป็นผู้ฉลาดในความตั้งไว้ซึ่งอารมณ์สองเป็นผู้ฉลาดในความตั้งไว้ซึ่งสมถะนิมิตสามเป็นผู้ฉลาดในความตั้งไว้ซึ่งปกคะหานิมิตสี่เป็นผู้ฉลาดในความตั้งไว้ซึ่งอวิเคปะห้าเป็นผู้ฉลาดในความตั้งไว้ซึ่งโอภาสหก เป็นผู้ฉลาดในความตั้งไว้ซึ่งสำปะหังชนะ 7. เจเะเ็เป็นผู้ฉลาดในความตั้งไว้ซึง่องอุเบคาปุถุชนเมื่อเจริญสมาธิ 1. เป็นผู้ฉลาดในความตั้งไว้ด้วยอาการเจ็ดอย่างนี้พระเสขะเมื่อเจริญสมาธิเป็นผู้ฉลาดในความตั้งไว้ด้วยอาการแดอย่างอะไรบ้างคือเพราะน้อมนึกถึงแล้วพระเสขะหนึ่งเป็นผู้ฉลาดในความตั้งไว้ซึ่งอารมณ์ 2. เป็นผู้ฉลาดในความตั้งไว้ซึ่งสมธานิมิตสเป็นผู้ฉลาดในความตั้งไว้ซึ่งปัจขานิมิตสเป็นผู้ฉลาดในความตั้งไว้ซึ่งอวิเคปะหเป็นผู้ฉลาดในความตั้งไว้ซึ่งโอภาสหเป็นผู้ฉลาดในความตั้งไว้ซึ่งสามประหังสนะเจ็ 7. เป็นผู้ฉลาดในความตั้งไว้ซึ่งอุเบขา เป็นผู้ฉลาดในความตั้งไว้ซึ่งสภาวะเดียวพระเสกขาเมื่อเจริญสมาธิเป็นผู้ฉลาดในความตั้งไว้ด้วยอาการแปดอย่างนี้ท่านผู้ปราศจากราคะเมื่อเจริญสมาธิเป็นผู้ฉลาดในความตั้งไว้ด้วยอาการสิอย่างอะไรบ้างคือเพราะน้อมนึกถึงแล้วท่านผู้ปราศจากราคะ 1. เป็นผู้ฉลาดในความตั้งไว้ซึ่งอารมณ์ ละถึง8เป็นผู้ฉลาดในความตั้งไว้ซึ่งจภาวะเดียวเเป็นผู้ฉลาดในความตั้งไว้ซึ่งญาณ10เป็นผู้ฉลาดในความตั้งไว้ซึ่งจิตท่านผู้ปราศจากราคะเมื่อเจริญสมาธิเป็นผู้ฉลาดในความตั้งไว้ด้วยอาการสิทธิ์อย่างนี้ปุถุชนเมื่อเจริญวิปัสสนาเป็นผู้ฉลาดในความตั้งไว้ด้วยอาการเท่าไหร่ เป็นผู้ฉลาดในความไม่ตั้งไว้ด้วยอาการเท่าไรพระเสขะเมื่อเจริญวิปัสสนาเป็นผู้ฉลาดในความตั้งไว้ด้วยอาการเท่าไรเป็นผู้ฉลาดในความไม่ตั้งไว้ด้วยอาการเท่าไรท่านผู้ปราชจจากราคะเมื่อเจริญวิปัสสนาเป็นผู้ฉลาดในความตั้งไว้ด้วยอาการเท่าไรเป็นผู้ฉลาดในความไม่ตั้งไว้ด้วยอาการเท่าไรคือปุุชนเมื่อเจริญวิปัสสนา เป็นผู้ฉลาดในความตั้งไว้ด้วยอาการเกอย่างเป็นผู้ฉลาดในความไม่ตั้งไว้ด้วยอาการ9้าอย่างพระเสขะเมื่อเจริญวิปัสนาเป็นผู้ฉลาดในความตั้งไว้ด้วยอาการสิบอย่างเป็นผู้ฉลาดในความไม่ตั้งไว้ด้วยอาการสิบสองอย่างท่านผู้ปราศจากราคะเมื่อเจริญวิปัสนาเป็นผู้ฉลาดในความตั้งไว้ด้วยอาการสิบสองอย่าง เป็นผู้ฉลาดในความไม่ตั้งไว้ด้วยอาการส2สองอย่างปุตตุชนเมื่อเจริญวิปัสสนาเป็นผู้ฉลาดในความตั้งไว้ด้วยอาการเก้าอย่างอะไรบ้างเป็นผู้ฉลาดในความไม่ตั้งไว้ด้วยอาการเก้าอย่างอะไรบ้างเพื่อปุตุชนเมื่อเจริญวิปัสสนาหนึ่งเป็นผู้ฉลาดในความตั้งไว้โดยความไม่เทียง2อเป็นผู้ลาดในความไม่ตั้งไว้โดยความเทียม สามเป็นผู้ฉลาดในความตั้งไว้โดยความเป็นทุกข์สี่เป็นผู้ฉลาดในความไม่ตั้งไว้โดยความเป็นสุขห้าเป็นผู้ฉลาดในความตั้งไว้โดยความเป็นอนัตตาหกเป็นผู้ฉลาดในความไม่ตั้งไว้โดยความเป็นอตตาเจ็ดเป็นผู้ฉลาดในความตั้งไว้โดยความสิ้นไปแปดเป็นผู้ฉลาดในความไม่ตั้งไว้โดยความเป็นก้อน เเป็นผู้ฉลาดในความตั้งไว้โดยความเสื่อมไป 10. เป็นผู้ฉลาดในความไม่ตั้งไว้โดยความประมวลมา 11. เป็นผู้ฉลาดในความตั้งไว้โดยความแปรผัน 12. เป็นผู้ฉลาดในความไม่ตั้งไว้โดยความยั่งยืน 13. เป็นผู้ฉลาดในความตั้งไว้โดยอนิมิต 14. เป็นผู้ฉลาดในความไม่ตั้งไว้โดยนิมิต -15. เป็นผู้ฉลาดในความตั้งไว้โดยความไม่มีปณิหิตะที่ตั้งสิบหกเป็นผู้ฉลาดในความไม่ตั้งไว้โดยปณิธิสิบเจ็ดเป็นผู้ฉลาดในความตั้งไว้โดยสุญญตะความว่างสิบแปดเป็นผู้ฉลาดในความไม่ตั้งไว้โดยอภินิเวศความยึดมั่นปุทุชนเมื่อเจริญวิปัสสนาเป็นผู้ฉลาดในความตั้งไว้ด้วยอาการ9ก้าอย่างนี้ เป็นผู้ฉลาดในความไม่ตั้งไว้ด้วยอาการเก้าอย่างนี <overl ain> ้พระเสขะเมื่อเจริญวิปัสสนาเป็นผู้ฉลาดในความตั้งไว้ด้วยอาการสิบอย่างอะไรบ้างเป็นผู้ฉลาดในความไม่ตั้งไว้ด้วยอาการสิบอย่างอะไรบ้างคือพระเสขะเมื่อเจริญวิปัสสนาหนึ่งเป็นผู้ฉลาดในความตั้งไว้โดยความไม่เทียมสองเป็นผู้ฉลาดในความไม่ตั้งไว้โดยความเทียม และถึง17เป็นผู้ฉลาดในความตั้งไว้โดยสุญญะติ18เป็นผู้ฉลาดในความไม่ตั้งไว้โดยอภินิเวศ19เป็นผู้ฉลาดในความตั้งไว้ซึ่งญาณ20เป็นผู้ฉลาดในความไม่ตั้งไว้ซึ่งสิ่งที่ไม่ใช่ญาณพระเสขะเมื่อจเจริญวิปัสสนาเป็นผู้ฉลาดในความตั้งไว้ด้วยอาการสิบอย่างนี้ เป็นผู้ฉลาดในความไม่ตั้งไว้ด้วยอาการสิบอย่างนี้ท่านผู้ปราศจากราคะเมื่อเจริญวิปัสสนาเป็นผู้ฉลาดในความตั้งไว้ด้วยอาการสิองอย่างอะไรบ้างเป็นผู้ฉลาดในความไม่ตั้งไว้ด้วยอาการสิองอย่างอะไรบ้างคือท่านผู้ปราศจากราคะเมื่อเจริญวิปัสสนาหนึ่งเป็นผู้ฉลาดในความตั้งไว้โดยความไม่เที่ยง สเป็นผู้ฉลาดในความไม่ตั้งไวง้โดยความเที่ยงละถึง19เป็นผู้ฉลาดในความตั้งไว้ซึ่งญาณยีสิเป็นผู้ฉลาด ใ, ใ, ในความไม่ตั้งไว้ซึ่งสิ่งที่ไม่ใช่ญาณยีเอ็เป็นผู้ฉลาดในความตั้งไว้โดยความไม่เกี่ยวข้องยีสองเป็นผู้ฉลาดในความไม่ตั้งไว้โดยความเกี่ยวข้องยีสิบสาม เป็นผู้ฉลาดในความตั้งไว้โดยความดับยี่ิเป็นผู้ฉลาดในความไม่ตั้งไว้ในสังขารท่านผู้ปราศจากราคะเมื่อเจริญวิปัสสนาเป็นผู้ฉลาดในความตั้งไว้ด้วยอาการสิบสองอย่างนี้เป็นผู้ฉลาดในความไม่ตั้งไว้ด้วยอาการสิบสองอย่างนี้เพราะน้อมนึกถึงแล้วภิกษุให้อินทรีย์ทั้งหลายประชุมลง ด้วยอำนาจความเป็นผู้ฉลาดในความตั้งไว้ซึ่งอารมณ์รู้ชัดโคจรและรู้แจ้งธรรมอันมีความสงบเป็นประโยชน์ให้ทำทั้งหลายประชุมลงรู้ชัดโคจรและรู้แจ้งธรรมอันมีความสงบเป็นประโยชน์คาว่าให้อินทรีทั้งหลายประชุมลงอธิบายว่าให้อินทรีทั้งหลายประชุมลงอย่างไรคือให้สัตถินทรีประชุมลงเพราะมีสภาวะน้อมใจเชื่อ ให้อินทรีทั้งหลายประชุมลงด้วยอำนาจความเป็นผู้ฉลาดในความตั้งไว้ซึ่งสมถานิมิตด้วยอำนาจความเป็นผู้ฉลาดในความตั้งไว้ซึ่งปัจขาณิมิตด้วยอำนาจความเป็นผู้ฉลาดในความตั้งไว้ซึ่งอวิเคปะด้วยอำนาจความเป็นผู้ฉลาดในความตั้งไว้ซึ่งปหังสนะด้วยอำนาจความเป็นผู้ฉลาดในความตั้งไว้ซึ่งอวิเคป ด้วยอำนาจความเป็นผู <Desert än>. ้ฉลาดในความตั้งไว้ซึ่งสภาวะเดียวด้วยอำนาจความเป็นผู้ฉลาดในความตั้งไว้ซึ่งญาณด้วยอำนาจความเป็นผู้ฉลาดในความตั้งไว้ซึ่งจิตให้อินทรีย์ทั้งหลายประชุมลงด้วยอำนาจความเป็นผู้ฉลาดในความตั้งไว้เดืความไม่เที่ยงด้วยอำนาจความเป็นผู้ฉลาดในความไม่ตั้งไว้โดยความเที่ยงด้วยอำนาจความเป็นผู้ฉลาดในความตั้งไว้โดยความเป็นทุกข์ ด้วยอำนาจความเป็นผู้ฉลาดในความไม่ตั้งไว้โดยความเป็นสุขด้วยอำนาจความเป็นผู้ฉลาดในความตั้งไว้โดยความเป็นอนัตตาด้วยอำนาจความเป็นผู้ฉลาดในความไม่ตั้งไว้โดยความเป็นอัตตาด้วยอำนาจความเป็นผู้ฉลาดในความตั้งไว้โดยความสิ้นไปด้วยอำนาจความเป็นผู้ฉลาดในความไม่ตั้งไว้โดยความเป็นก่อน ด้วย อ, อำนาจความเป็นผู้ฉลาดในความตั้งไว้โดยความเสื่อมไปด้วยอำนาจความเป็นผู้ฉลาดในความไม่ตั้งไว้โดยความประมวลมาด้วยอำนาจความเป็นผู้ฉลาดในความตั้งไว้โดยความแปรผันด้วยอำนาจความเป็นผู้ฉลาดในความไม่ตั้งไว้โดยความยั่งยืนด้วยอำนาจความเป็นผู้ฉลาดในความตั้งไว้โดยอนิมิตด้วยอำนาจความเป็นผู้ฉลาดในความไม่ตั้งไว้โดยนิมิต ด้วยอำนาจความเป็นผู bueno ้ฉลาดในความตั้งไว้โดยความไม่มีปณิหิตะด้วยอำนาจความเป็นผู้ฉลาดในความไม่ตั้งไว้โดยปณิธิด้วยอำนาจความเป็นผู้ฉลาดในความตั้งไว้โดยสุญญาตะด้วยอำนาจความเป็นผู้ฉลาดในความไม่ตั้งไวโดยอภินิเวศด้วยอำนาจความเป็นผู้ฉลาดในความตั้งไว้ซึ่งยาน ด้วยอำนาจความเป็นผู้ฉลาดในความไม่ตั้งไว้ซึ่งสิ่งที่มิใช่ยานด้วยอำนาจความเป็นผู้ฉลาดในความตั้งไว้ซึ่งความไม่เกี่ยวข้องด้วยอำนาจความเป็นผู้ฉลาดในความไม่ตั้งไว้ซึ่งความเกี่ยวข้องให้อินทรีทั้งหลายประชุมลงด้วยอำนาจความเป็นผู้ฉลาดในความตั้งไว้ซึ่งความดับภิกษุย่อมให้อินทรีทั้งหลายประชุมลง รู้ชัดโคจรและรู้แจ้งธรรมอันมีความสงบเป็นประโยชน์ด้วยอำนาจความเป็นผู้ชาดในความไม่ตั้งไว้ซึ่งสังขารปัญญาที่มีความชำนาญในอินทรีสามประการโดยอาการ64ชื่อว่าอาสวะคยญาณอินทรีสามประการอะไรบ้างคือหนึ่งอนัญญาตัญญสามีติน4ีสองอัญยินรี สอัญญาตาวินสีอนัญญาตัญยาสมีติน4ีย่อมถึงฐานะเท่าไรอัญยิน4ีย่อมถึงฐานะเท่าไรอัญญาตาวินสีย่อมถึงฐานะเท่าไรคืออนัญญาตัญยาสมีตินสีย่อมถึงฐานะหนึ่งคือโสดาปฏิมักอัญยินสีย่อมถึงฐานะหกคือโสดาปฏิผลสกะทาคามิมักสกะทาคามิผลอนาคามิมัก อนาคามิผลอรหัตมักอัญญาตาวินสีย่อมถึงฐานะหนึ่งคืออรหัตผลในขณะแห่งโสดาปติมักอันัญญาตัญญาสมีตินสีมีสัพทินสีซึ่งมีความน้อมใจเชื่อเป็นบริวารมีวิริยนินสีซึ่งมีการประคองไว้เป็นบริวารมีสตินสีซึ่งมีความตั้งมั่นเป็นบริวาร มีสมาธิสี่ซึ่งมีความไม่ฟุ้งซ่านเป็นบริวารมีปัญญสี่ซึ่งมีความเห็นเป็นบริวารมีมนินรีซึ่งมีความรู้แจ้งเป็นบริวารมีสมณสินสีซึ่งมีความยินดีเป็นบริวารมีชีวิตินรีซึ่งมีความเป็นใหญ่ในความสืบต่อที่กำลังเป็นไปเป็นบริวารทำทั้งหลายที่เกิดในขณะแห่งโสดาปฏิมา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 ัญญาตาวินศีมีสัจทินรีซึ่งมีความน้อมใจเชื่อเป็นบริวารมีชีวิตทินรีซึ่งมีความเป็นใหญ่ในความสืบต่อที่กำลังเป็นไปเป็นบริวารทมทั้งหลายที่เกิดในขณะแห่งอรหัตผลยกเว้นรูปที่มีฉิตเป็นสมุทฐานทั้งหมดเป็นอภยก ฤ, ฤิตทั้งหมดไม่มีอาสวะทั้งหมดเป็นโลกุตระทั้งหมดมีนิพพานเป็นอารมณ์ ในขณะแห่งอรหัตผลอัญญาตาวินสีมีอินรียป8ประการนี้ซึ่งมีสหาชาตธรรมเป็นบริวารทำเหล่านี้เป็นอาการและเป็นบริวารของอัญญาตาวินสีนั้นอินรีย์8รวม8ปหมวดนี้จึงเป็นอาการห4ด้วยประการฉนี้ ว่าอาสวะอธิบายว่าอาสวะเหล่านั้นอะไรบ้างคือกามาสวะภวาสวะทิฏฐสวะอวิชชาสวะอาสวะเหล่านั้นย่อมสิ้นไปณที่ไหนคือทิฏฐสวะทั้งสิ้นย่อมสิ้นไปด้วยโสดาปติมักกามาสวะซึ่งเป็นเหตุให้สัดวไปสู่อบายภวาสวะซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ไปสู่อบายอวิชชาสวะ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 อ า, <Valerie> อาสวะเหล่านี้ย่อมสิ้นไปในขณะแห่งสกาคามิมักนี้กรมอาสวะทั้งสิ้นย่อมสิ้นไปด้วยอนาคามิมักภวาสวะซึ่งตั้งอยู่ร่วมกับการมอาสวะนั earth, Fig, ้นอวิชชาสวะซึ่งตั้งอยู่ร่วมกับการมอาสวะนั้นย่อมสิ้นไปด้วยอนาคามิมักอาสวะเหล่านี้ย่อมสิ้นไปในขณะแห่งอนาคามิมักนี้ภวาสวะทั้งสิ้นอวิชชาสวะทั้งสิ้น ย่อมสิ้นไปด้วยอรหัตมักอายสวะเหล่านี้ย่อมสิ้นไปในขณะแห่งอรหัตมักนี้สิ่งไรๆในไตรโลกธาตุนี้พระปัญญาจากโขของพระตถาคตนั้นไม่ทรงเห็นไม่มีเลยอันหนึ่งธรรมชาติอะไรๆที่ควรรู้พระพุทธญาณไม่รู้แจ้งก็ไม่มีธรรมชาติที่ควรแนะนําใดมีอยู่พระตถาคตด้วยทรงทราบธรรมชาติที่ควรแนะนานั้นทั้งหมด เพราะเหตุนั้นพระทธทาคตจึงชื่อว่ามีพระสมันตจักขุความว่าสมันตจักขุอธิบายว่าชื่อว่าสมันตจักขุเพราะมีความหมายว่าอย่างไรคือพระพุทธญาณ1ิบสี่ประการได้แก่หนึ่งญาณในทุกขชื่อว่าพุทธญาณสองญาณในทุกขสะสมไทยชื่อว่าพุทธญาณและถึงสิบสาม สัพพัญญุทะยานชื่อว่าพุททะยาน 14. อนาวรณญานชื่อว่าพุทธะยานพระพุทธะยาน14ประการนี้แหลบรรดาพุททะยาณ14ประการนี้ยาน8ประการเบื้องต้นเป็นยานที่ทั่วไปแก่สาวกส่วนยาณอีกหกประการเบื้องปลายเป็นยานที่ไม่ทั่วไปแก่สาวกสภาวะที่ทนได้ยากแห่งทุกข์พระตถาคตทรงทราบแล้วตลอดทั้งหมด ที่ม่สงทราบไม่มีเพราะเหตุนั้นพระธถาคดจึงชื่อว่ามีพระสมัญตาจักขุสมัญตาจักขุเป็นปัญญินีเป็นสัจทินีเพราะมีสภาวะน้อมใจเชื่อเป็นวิริยินีเพราะมีสภาวะประคองไว้เป็นสัจทินีเพราะมีสภาวะตั้งมั่นเป็นสมาทินีเพราะมีสภาวะไม่ฟุ้งซ่านด้วยอานาจแห่งปัญญี สภาวะที่ทนได้ยากแห่งทุกขพระตถาคตทรงเห็นแล้วทรงทราบแล้วทรงทำให้แจ้งแล้วทรงถูกต้องแล้วด้วยพระปัญญาตลอดทั้งหมดที่ไม่ทรงถูกต้องแล้วด้วยพระปัญญาไม่มีเพราะเหตุนั้นพระตถาคตจึงชื่อว่ามีพระสมัญตจักขุสมัญตจักขุเป็นปัญญิสีสี่เป็นสัจจินสีเพราะมีสภาวะน้อมใจเชื่อ เป็นวิริยินสีเพราะมีสภาวะประคองไว้เป็นสตินสีเพราะมีสภาวะตั้งมั่นเป็นสมาธินสีเพราะมีสภาวะไม่ฟุ้งซ่าน้ดยอำนาจแห่งปัญญินสีสภาวะที่เป็นเหตุแห่งสมุทัยสภาวะที่เป็นความดับแห่งนิโรธสภาวะที่เป็นทางแห่งมรรคสภาวะแห่งปัญญาที่แตกฉานดีในอักแห่งอัฏฐปฏิสัมพิทา สภาวะแห่งปัญญาที่แตกฉานดีในธรรมแห่งธรรมปฏิสัมพิทาสภาวะแห่งปัญญาที่แตกฉานดีในนิรุตติแห่งนิรุตติปฏิสัมพิทาสภาวะแห่งปัญญาที่แตกฉานดีในปฏิพานแห่งปฏิพานปฏิสัมพิทายาในความยิ่งและความหย่อนแห่งอินสีทั้งหลายยาในอาศยะและอนุไซของสัตว์ทั้งหลายญาในยมกกปฏิหาน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 ทรงถูกต้องแล้วด้วยพระปัญญาตลอดทั้งหมดที่ไม่ทรงถูกต้องแล้วด้วยพระปัญญาไม่มีเพราะเหตุนั้นพระตถาคตจึงชื่อว่ามีพระสมันตจักขุสมันตจักขุเป็นปัญญีสีเป็นสัจจินสีเพราะมีสภาวะน้อมใจเชื่อเป็นวิริยินสีเพราะมีสภาวะประคองไว้เป็นสัจจินสีเพราะมีสภาวะตั้งมั่นเป็นสมาธินสีเพราะมีสภาวะไม่ฟุ้งซ่าน ด้วยอำนาจแห่งปันยินสีบุคคลเมื่อเชื่อชื่อว่าประคองไว้เมื่อประคองไว้ชื่อว่าเชื่อเมื่อเชื่อชื่อว่าตั้งสติมั่นเมื่อตั้งสติมั่นชื่อว่าเชื่อเมื่อเชื่อชื่อว่าตั้งใจมั่นเมื่อตั้งใจมั่นชื่อว่าเชื่อเมื่อเชื่อชื่อว่ารู้ชัดเมื่อรู้ชัดชื่อว่าเชื่อ บุคคลเมื่อประคองไว้ชื elder, ower, ่อว่าตั <thread content>? ้งสติมั่นเมื่อตั้งสติมั่นชื่อว่าประคองไว้เมื่อประคองไว้ชื่อว่าตั้งใจมั่นเมื่อตั้งใจมั่นชื่อว่าประคองไว้เมื่อประคองไว้ชื่อว่ารู้ชัดเมื่อรู้ชัดชื่อว่าประคองไว้เมื่อประคองไว้ชื่อว่าเชื่อเมื่อเชื่อชื่อว่าประคองไว้ บุคคลเมื่อตั้งสติมัน่นชื่อว่าตั้งใจมัน่นเ ม, aluminum, มื่อตั้งใจมัน ificar, ่นชื่อว่าตั้งสติมัน่นเมื่อตั้งสติมั่นชื่อว่าร <Lo> ู้ชัดเมื่อรู้ชัดชื่อว่าตั้งสติมั่นเมื่อตั้งสติมั่นชื่อว่าเชื่อเมื่อเชื่อชื่อว่าตั้งสติมั่นเมื่อตั้งสติมั่นชื่อว่าประคองไว้เมื่อประคองไว้ชื่อว่าตั้งสติมั่น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 บุคคลเมื่อรู้ชัดชื่อว่าเชื่อเมื่อเชื่อชื่อว่ารู้ชัดเมื่อรู้ชัดชื่อว่าประคองไว้เมื่อประคองไว้ชื่อว่ารู้ชัดเมื่อรู้ชัดชื่อว่าตั้งสติมั่นเมื่อตั้งสติมั่นชื่อว่ารู้ชัดเมื่อรู้ชัดชื่อว่าตั้งใจมั่นเมื่อตั้งใจมั่นชื่อว่ารู้ชัดเพราะความเป็นผู้เชื่อจึงประคองไว้ เพราะความเป็นผู้ประคองไว้จึงเชื่อเพราะความเป็นผู้เชื่อจึงตั้งสติมั่นเพราะความเป็นผู้ตั้งสติมั่นจึงเชื่อเพราะความเป็นผู้เชื่ อ, อจึงตั้งใจมั่นเพราะความเป็นผู้ตั้งใจมั่นจึงเชื่อเพราะความเป็นผู้เชื่อจึงรู้ชัดเพราะความเป็นผู้รู้ชัดจึงเชื่อเพราะความเป็นผู้ประคองไว้จึงตั้งสติมั่น เพราะความเป็นผู้ตั้งสติมั่นจึงประคองไว้เพราะความเป็นผู้ประคองไว้จึงตั้งใจมั่นเพราะความเป็นผู้ตั้งใจมั่นจึงประคองไว้เพราะความเป็นผู้ประคองไว้จึงรู้ชัดเพราะความเป็นผู้รู้ชัดจึงประคองไว้เพราะความเป็นผู้ประคองไว้จึงเชื่อเพราะความเป็นผู้เชื่อจึงประคองไว้เพราะความเป็นผู้ตั้งสติมั่นจึงตั้งใจมั่น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 พุทธญาณชื่อว่าพุทธจักขุเป็นเครื่องให้พระตถาคตทรงเห็นหมู่สัตว์ผู้มีกิเลสดุทุรีในปัญญาจากสูน้อยมีกิเลสดุทุรีในปัญญาจากสูงมากมีอินทรีย์แก่กล้ามีอินทรีย์อ่อนมีอาการดีมีอาการสามพึงสอนให้รู้แจ้งได้ง่ายพึงสอนให้รู้แจ้งได้ยากบางพวกมักเห็นปรโลกและโทษเดดความเป็นภัย บางพวกมักไม่เห็นประโลกและโทษโดยความเป็นภัย ge, คำว่ามีกิเลสดุทลีในปัญญาจากสุน้อยมีกิเลสดุทลีในปัญญาจากสุมากอธิบายว่าบุคคลผู้มีศรัทธาชื่อว่ามีกิเลสดุทลีในปัญญาจากสุน้อยบุคคลผู้ไม่มีศรัทธาชื่อว่ามีกิเลสดุทลีในปัญญาจากสุมากบุคคลผู้มีความเพียรชื่อว่า มีกิเลสดุทุลีในปัญญาจากสุน้อยบุคคลผู้มีความเกียจคร้านชื่อว่ามีกิเลสดุทุลีในปัญญาจากสุมากบุคคลผู้มีสติตั้งมั่นชื่อว่ามีกิเลสดุทุลีในปัญญาจากสุน้อยบุคคลผู้มีสติหลงลืมชื่อว่ามีกิเลสดุทุลีในปัญญาจากสุมากบุคคลผู้มีจิตตั้งมั่นชื่อว่ามีกิเลสดุทุลีในปัญญาจากสุน้อย บุคคลผู้มีจิตไม่ตั้งมั่นเชื่อว่ามีกิเลสดุทุรีในปัญญาจากสุมากบุคคลผู้มีปัญญาดีเชื่อว่ามีกิเลสดุทุรีในปัญญาจากสุน้อยบุคคลผู้มีปัญญาสามชื่อว่ามีกิเลสดุทุรีในปัญญาจากสุมากคำว่ามีอินทรีย์แก่กล้ามีอินทรีย์อ่อนอธิบายว่าบุคคลผู้มีศรัทธาเป็นผู้มีอินทรีย์แก่กล้า บุคคลผู้ไม่มีศรัทธาเป็นผู้มีอินทรีย์อ่อนบุคคลผู้มีปัญญาดีเป็นผู้มีอินทรีย์แก่กล้าบุคคลผู้มีปัญญาสามเป็นผู้มีอินทรีย์อ่อนคำว่ามีอาการดีมีอาการสามอธิบายว่าบุคคลผู้มีศรัทธาเป็นผู้มีอาการดีบุคคลผู้ไม่มีศรัทธาเป็นผู้มีอาการสามบุคคลผู้มีปัญญาดีเป็นผู้มีอาการดี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 เป็นผู้พึงสอนให้รู้แจ้งได้ง่ายบุคคลผู้มีปัญญาสามเป็นผู้พึงสอนให้รู้แจ้งได้ยากคำว่า sleepy, บางพวกมักเห็นปราโลกและโทษดยความเป็นภัยบางพวกมักไม่เห็นปราโลกและโทษดยความเป็นภัยอธิบายว่บาบุคคลผู้มีศร <concrete> <les> ัทธาเป็นผู้มักเห็นปราโลกและโทษดยความเป็นภัยบุคคลผู้ไม่มีศรัทธา เป็นผู้มักไม่เห็นปรโลกและโทษเดยอความเป็นภัยบุคคลผู้มีปัญญาดีเป็นผู้มักเห็นปรโลกและโทษเดยความเป็นภัยบุคคลผู้มีปัญญาสามเป็นผู้มักไม่เห็นปรโลกและโทษเดยความเป็นภัยคำว่าโลกอธิบายว่าขันธโลกธาตุโลกอายตนะโลกวิปติภวโลกวิปติสัมภวโลกสัมปติภวโลก สัมปติสัมภวะโลกโลกหนึ่งคือสัตว์โลกทั้งปวงดำรงอยู่ได้เพราะอาหารโลกสองคือนามหนึ่งรูปหนึ่งโลกสามคือเวทนาสามโลกสี่คืออาหารสี่โลกห้าคืออุปทานขันห้าโลกหคืออายตนะภายในหกโลกเจ็ดคือวิญญาณนิติเจ็ดโลก8ปดคือโลกธรรมแปด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 เป็นภัยอันแรงกล้าปรากฏแล้วด้วยประการะชนี้เหมือนสัญญาในศัตรูผู้เงื้อดาบเข้ามาจะฆ่าปรากฏแล้วฉะนั้นพระตถาคตทรงรู้ทรงเห็นทรงทราบทรงรู้แจ้งอินทรีห้าประการนี้ด้วยอาการห้าสิตอย่างนี้ตาติยะพาณวาระจบอินทรียะคาถาจบห้าวิโมขะกขาคถา ว่าด้วยวิโมกุเทศเหตุเกิดขึ้นเหมือนในสูตรข้างต้นภิกษุทั้งหลายวิโมกสามประการนี้วิโมกสามประการอะไรบ้างคือหนึ่งสุญญาตาวิโมกสองอนิมิตาวิโมกสอปนิหิตาวิโมกภิกษุทั้งหลายวิโมกสามประการนี้แลอีกประการหนึ่งวิโมกหกสิปประการ ค่สุญญตวิโมค 2. อนิมิตตวิโมสามอปนิหิตตวิโมค o อาชิตตวุฒนาวิโมวิโมกมีการออกจากอารมณ์ภายใน 5. พหิตาวุฒนาวิโมวิโมกมีการออกจากอารมณ์ภายนอก 6. ทุกขโตวุฒนาวิโมวิโมกมีการออกจากอารมณ์ทั้งสอง เจ็ดถึงสิบวิโมกซจากอชัตตะวุฒานวิโมกสิบเอ็ดถึงสิบสี่ 14, วิโมกซจากพหิธาวุฒานวิโมกสิบห้าถึงสิบแปดวิโมกซจากทุพตะวุฒานวิโมกสิบเก้าถึงยี่สองวิโมก4อนุโลมตามอชัตตะวุฒานวิโมกยี่สามถึงยี่สบ วิโมกซอนุโลมตามหิทธาวุฒนาวิโมก 27- สถึงสาวิโมกซอนุโลมตามทุกพโตวุฒนาวิโมก31อถึงสามวิโมกซระ ง, งับจากอชัตตะวุฒนาวิโมก35ถึง38วิโมกซระ ง, งับจากหิทธาวุฒนาวิโมก 39-42. ถึงวิโมกสระ ง, งับจากทุพตวุานวิโมก 43. ชื่อว่าวิโมกเพราะภิกษุผู้ได้รูปฌานย่อมเห็นรูปทั้งหลาย 44. ชื่อว่าวิโมกเพราะภิกษุผู้ไม่มีความหมายรู้ว่ารูปภายในเห็นรูปภายนอกส5ชื่อว่าวิโมก เพราะภิกษุเป็นผู้น้อมไปในอารมณ์ว่างามเท่านั้น 46. อากาสานัญจายตนะสมาบัตวิโม 47. วิญญาณัญจายตนะสมาบัตวิโม 48. อากินัญญาายตนะสมาบัตวิโม 49. เนวสัญญานาสัญญาายตนะสมาบัตวิโม 50. สัญญาเวทยินิโรทสมาบัตวิโม ห้สาสิบอ็ดสมยะวิโมห้าสาิบสองอสมยะวิโมห้าสิบสามสยิกะวิโมห้าสิบสี่อาสามยิกะวิโมห้าสิบห้าปุปปะวิโมห้าสิบหกอาปุปปะวิโมห้าสิบเจ็ดโลกิยวิโมห้าสิบปดโล ก, กุตรระวิโมห้าสิบเก้า สาสวาวิโมหกสิ 60, อนาสาวะวิโมหกสิอ็สามิสวิโมกสิองนิรามิสสวิโมหกสิานิรามิสานิรามิส ต, ตราระวิโมหกสิบสี่ปนิหิตตวิโมหกสิห้าอปณิหิตตวิโมกส6บปณิหิตตปฏิปัจจิวิโมหกสิบเจด สัญญุตตะวิโม6กวิสัญญุตตะวิโม6กเอกตะวิโมเจ็นานตะวิโมเจ1สัญญาวิโมเ72ญยานวิโม 73. ็สีติสิยาวิโม 74. ชานวิโม 75. อนุปาทายตตะวิโม